นับปฏิปัสสัมเพตพระอัฐารสกะว่าด้วยองค์18ของภิกษุที่สงพึงระงับตัดนีกกรรมหมวดที่ 1. ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับตัดฌนีกกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ไม่ให้อุปสมบท